หลวงของกับกราววพระรัตนตไัยคือพระพุทธธรรมประสงของน้ำมัตการหลวงพ่อคำเขียนที่เคารพอย่างสูงสุดของพวกเราทั้งหลายแล้วก็ขอน้ำมัตการพระเทลานุเทละ หลวงพ่อหลวงพี่จะเรือนพรแม่ชีบุษบวษบุิกุผู้ไฟทษบุษบุษบุับงษบาษบุษบุ่ไุษบุษบุษบุษบุษบุษบุษ จนลืมหลายะจากไม่รู้จะเอาถึงไหนมาพูดแล้วก็ให้พากันค่อยๆฟังไปไมันฟังได้ก็ฟังได้ฟังไม่ฟังบ็ได้ก็ฟังฟังด้วยื่อเจ้าว่าเจ้าปากดอก้วสอ พวกเราทุกๆคนที่เกิดมาในโลกเนี้น่าสงสารคุณพ่อคุณแม่อุญาตตายายของเราเยอะเกินเกิดมามาไม่เคยเห็นพระพุทธพระธรรมอย่างพวกเราเกิดมาก็มาตั้งแต่กรรมตัวเองคิดว่า ถ้าเราไม่มาแบบนี้เราเราก็จะเป็นเหมือนกันทั้งหมดเลยเกิดมาก็ว่าสร้างกรรมให้ตัวเองมาสร้างกรรมแล้วก็ได้ไปรับผลกรรมตัวเองนั่นแหละไม่มีใครมาสร้างให้พอเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วเราไม่มีใครจะมาสร้างให้เลยมีแตเเ่เราสร้างขึ้นเองความทุกข์ยากลําบากทุกสิ่งทุกอย่างเราสร้างขึ้นเองความยากจนเขนใจอะไร ก็สร้างขึ้นหมดเพราะไม่ไม่เอาใจใส่ในหน้าที่ของตัวเองเกิดมาก็เกิดมาตามธรรมชาติดีอย่างหนึ่งคือเป็นสัตว์มนุษย์สัตว์มนุษย์คือไม่ได้ยังไม่ถึกได้ศึกษาตั้งแต่ว่าเป็นผู้กิจใจสูงความสามารถที่เปลี่ยนความช่วยทั่วนั้นได้ หมดทุกคนทำอะไรก็ทำได้มนุษย์ต้องทำได้หมดถ้าถ้าแสวงหาทำเว้นแต่จะไม่แสวงหาเหมือนเราเกิดมาทุกๆุกคนนะเกิดมาหลงทุกคนมีความหลงประจำอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาไม่รู้จะแก้ไขตัวเองมริงไดมันพอใจชอบใจก็ทำสิ่งนั้น ใครว่าดีว่าช่วงไม่สนใจเขอให้ได้ทำก็แล้วกันถ้าถูกใจแล้วก็ว่าว่าดีหมดจะเป็นยังไงจนตายอยู่ตลอดเวลาเป็นหน่าเสียดายเกิดมาเนี่ยถ้าเราไมา่รู้จักสิ่งนี้ก็ตายตายทิย้งมาตายทิ้งเฉยๆนะ่ะไม่ได้อะไรวกวนเวียนว่าตายเกิด อยู่ในโลกในภพนี่ไม่รู้จะจบไม่รู้จะสิ้นไม่รู้จะเกิดมาจากกี่ชาติกี่ี่ครั้งกี่คราวแล้วนับไม่หมดไม่นับไม่ท้นวนถ้าพวกเรามารู้จักอย่างนี้อย่างพวกที่เรามาปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยบุญเราละมากที่สุดเลยมาแล้วก็มาเห็นชีวิตอินทรีย์ตัวเอง มาเห็นกายเห็นใจตัวเองเห็นความชั่วของตัวเองพอเห็นความชั่วเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเอาความดีที่เราที่เราสร้างมานียจนอายุครบอย่างที่หลวงพ่อเนี่ยอายุเจ็ดสิบหกสิบห้าปีเออหกสิบเจ็ดปีจึงได้มาบวชได้มาบวชเนี่ยเอาสิ่งที่ท เราเคยทํามาว่ามันดีๆนั่นแนะทั้งความชั่วทั้งความดีนั่นแหละเอามาเทียบเทียบเทียมกันคิดไปเห็นอดีตที่ผ่านมาแล้วสร้างตั้งแต่ความทุกข์ให้ตัวเองสร้างแต่ก ร, รมแต่เวียนให้ตัวเองทำอย่างที่ไม่ปาณีเลยว่าจะอยากได้อะไรอยากทาอะไรเอาตามใจใตัวเอง ไม่รู้อยากผิดเมื่อยากถูกเมื่อคิดเห็นการทำบุญให้ทานเนี่ยบวชนาคบวชลูกบวชเต่าเนี่ยหมดเงินเนี่ยเป็นแตนทังทุกวันเนี้ยตั้งหลายแสนอยู่คอยจะได้เป็นองค์องค์งพระขึ้นมาบวชขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาอะไรมาค้า สัตตชีวิตเนี่ยจากกี่ตัวก็นับไปส่วนเลยเล่าก็เอามาเบียกันเล่าเรา ร, รับสินรับเล่วรับอีกรับเล้วรับอีกอยากอยากได้เป็นคนบริสุทธิ์ว่าได้รับสินก็ว่ามันดีมันบริสุทธิ์ดีแต่ไม่รู้เลยแหละบัดมาเข้าใจ ที่เรามาพิสูจนปฏิบัติเนี่ยมเตระสร้างกรรมให้ตัวเองน้องปู่น้องถามงปู่เทียนน้องปูถ่ถ้ามาทำทำบุญเนี่ยมาบวชลูกบวชเต้าบวชพระบวดเน้นเนี่ยจะได้รุ้นแม่พ่อได้ได้ทุกอันนั่นแหละทำอะไรก็ได้อันนั้นเนี่ยท่านวางวางนี้ทำอะไรก็ได้อันนั้น ทำได้ในบุญนี่มันเป็นตัวยังไงมันมีจริงไหมน้องน้องผมูมีบาปก็มีบุญก็มีเราสร้างทุกวันท่านพูดให้ฟังตัวบุญมันเป็นยไงอะ่ะถ้าทานถ้าตัดจัดชีวิตกินเหล้ากินยากันอย่างนี้ไม่ก็ได้ของที่เลวทามไป ถ้าได้เอาเปรียบเทียบให้ฟังก็คือเอาขี้เป็ดไปล่างขี้ไก่ท่านว่างนั้นได้รับก็ได้รับอย่างนั้นแหละได้อยู่แต่ว่ามันไม่ได้สมที่เราเสียทรัพย์เสียสินไปอย่าจะให้อย่าอย่าให้ได้ดีกว่าได้อย่างนั้น่ไปอยู่ที่ไหนก็เหม็นไม่เหม็นทางด้านชีวิตจิตใจของเราก็ ทางกายของเราก็กหมินถ้าค่ากายดีอันทางทางใจมันจะไม่ดีมันเนา่าเม่คิดแล้วก็เป็นเป็นป น, น่าสงสารทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทำกันยัางไงแล้วก็อ้อนวอนบองสวงอยากได้สั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยากได้อย่างนั้นมาปาฏนาอ้อนวอนเรา เป็นอย่างนั้นเหมือนทุกคนเพราะฉะนั้นบุญหลายแทๆ้ๆจะคอยได้มามามาประพฤติปฏบิบัติบุญของหลวงพ่อบุญของหลวงพ่อในบทไม่เป็นคนยมเพราะว่าเราเนี่ยมาตัดกรรมตัดเวรคือเข้ามาเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ธรรมะยังไม่ได้ตัดตะลุอย่างที่พระพุทธเจ้าเราของเราในเป็นคนที่ เลิกละชั่วทำดีแต่สัตว์เนี่ยเดี๋ยวนี้จะกินของสดๆไม่ได้หรอกไปบ้านนะลูกเต้าเขาไม่ไม่าตัดตัดชีวิตคนบ้านอื่นก็นเหมือนกันมีแต่คนถือเล่าเขาก็ไม่เอาไม่กินตั้งแต่ก่อนเราเกิดมาเนี่ย กลางคืนมันฝันกลางวันมังคิดมาสร้างความทุกข์ให้ตัวเองตลอดทั้งกลางวันกลางคืนมันจะคิดเอาเรื่องนั่นบ้างเรื่องนี้บ้างเรื่องอดีตเรื่องอนาคตที่ผ่านพ้นมาแล้วมันก็ยังเอามาคิดอยู่ไม่รู้จะจบไม่รู้จะสิน้นคิดมาเมื่อไหร่ก็เกิดมีความเสียใจเกิดความไม่พอใจกเกิดขึ้นมาไม่รู้จกเลิกจกละจะปลดจะปล่อยจกวาง พระพุทธเจ้าสั่นสอนนั่นน่ะสอนให้เราปลดปล่อยวางไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันมันมีมันเป็นมันไม่ดีนั่นแหละปล่อยเนี่ยก็เลยตึงแต่นั้นมาเนี่ยไม่ได้ฆ่าตัดตัดชีดวิตพวกเราพวกญาติพวกโยมก็เหมือนกันพระเราคนนี้ก็เหมือนกันพากันดู พอวันมันคิดขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นเห็นแล้วก็ทำไม่ได้อะไรมันพาเราเป็นอะ่ะมันพาเราบาปอะ่ะก็ความคิดนี่แหละมันพาเราบาปถ้าเราเห็นความคิดเนี่ยเห็นแล้วแล้วมาฝึกมาหัดเนี่ยมาดูกายดูใจไม่เคลื่อนมันไวมันจะเลื่อนท้งกายท้งใจไปพร้อมกันเนี่ยมันจะเห็นความคิดขึ้นมา เขาดึงไปเราดึงมาเขาดึงไปเราดึงมา ừ, ต่างคนต่างอยากได้ของดีมามามาไว้เขาก็อยากได้ของเขาไปเราก็อยากได้ของเราขึ้นมาทำอย่างนั้นะจนว่ามันได้เป็นเองมันค่อยเกิดขึ้นมาพอคิดปับ๊บมาเนี่ยมันพอเห็นความคิดเนี่ยมันจะขาดออกไปมาเด้์ปุงไม่ได้แต่งไม่ได้ไปปรารถนาอ้อนวอนไหว ให้มันขาดออกไปมันขาดออกไปเองแล้วก็ไม่คิดอะไรอีกนี่นะมาเห็นกรรมตัวเองเอ้ยอันนี้ยมันตัดกรรมตัดเวรแล้วไม่ได้เอาคิดคิดขึ้นยามเวลาดแดงเราก็รู้จักเวลานั้นมันก็เบากระวาบางไปเราก็สบายใจไปอืทําอะไรก็ใจเใจบิกใจวานใจ ไม่หดหูคิดเห็นการกระทำของเราก็เบาช่างกายเบาช่างใจมันไม่ได้ทำความชั่วเนี่ยถ้าเราทันได้แบบนี้ตั้งแต่นานๆเราก็จะดีไปหลายๆแล้วเราดีแล้วแหละเราตัดกรรมตัดเวียนเจ้าของได้แค่นี้ก็พอแล้วดีกว่า เราจะไม่ไม่มาเลยสักหลายเท่าอยู่ถ้าเรารู้แล้วเราก็อันเป็นอดีตมาเราเราจะไม่เอามามาคิดเลยอนาคตยังไม่มาถึงก็ไม่ต่องเอามาคิดให้อยู่ในปัจจุบันล้วนปัจจุบันล้วนเข้ามาหาปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าอะไรทั้งหมดเราเห็นหมดเลย สิ่งที่ควรกระทามันก็ไม่ทําเพราะว่าเห็นสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาได้แล้วก็เนี่ยมีความภาคภูมิ อ, อกภาคภูมิใจหลวงปู่เนี่ยท่านสอนให้เรามาออกจากบาปจากกรรมจากเวรทุกเรานะทุกคนเนี่ยมันได้แล้วเนี่ยสมมติว่าเรามีกิเลสอีกแล้วก็ได้มาเกิดอีก ถึงแม้ว่าเราเมื่อเกิดอีกก็เราทําไว้แล้วครึ่งหนึ่งแล้วอืพอเราเกิดขึ้นมาอีกก็บุญของเราที่เราทําไว้นี่แหละมันไม่หมดเป็นข้อมาลอยของเราดอนอยู่ลอยอยู่ธรมอากาศนี่แหละเข้ามาสนับสนุนเราขึ้นไปจิตของเราก็ได้ประพฤติปฏิบัติอีกต่ออีก แต่หัวคิดตติปัญญาเนี่ยมันจะดีกว่าเก่าคดเดิมแล้วเพราะเราเราหักหัดไปแล้วตัวสติปัญญาเนี่ยต้องมามหาตอนเราเป็นคนถ้าเรายังไม่มาหาตอนนี้มันก็จะเป็นโง่เป็นคนโง่เหมือนเราเกิดมาอยู่ทั้งสุขวันนี้แหละมีความฉเฉลียวฉลาดมีความดีเกิดขึ้นมาเนี่ย นึกพูมภาคภูมิ อ, อกภาคภูมิใจหลวงพอคิดเห็นอันนี้แล้วโอ้บุญวัฒนาหลายเห็นพี่น้องทุกคนที่มาปฏิบัติด้วยกันเนี่ยก็มีความมีหวังจะได้ไปด้วยกันทุกทุกคนตามบุญตามวัฒนาถ้ามีกิเลสอยู่เราก็ต้องได้มาเกิดอีกเกิดอีกมันไ ม, ไม่หมดดอกอันที่พวกเรามาทําเนี่ยดีกว่า เป็นเทวดาเป็นพระอินทร์พระพรหมไปอีกคุณโยมเนี่ยเรามาเกิดยบุญของเรามาชดช่วยเราอยู่ตลอดเวลาทำอะไรก็ได้ตั้งแต่มาเข้ามาวัดมาประพืติปฏิบัติเนี่ยดูใครๆนะไม่ค่อยมีใครตกต่ำเท่าไรหรอกทำอะไรก็ได้อย่างที่มักที่ตั้งใจไว้ แต่หลอดทั้งลูกทั้งอะไรบวกตอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงเท่าคือแต่ก่อนเนี่ยให้พวกเราพยายามเนี่ยสมนี่แหละอะไรก็ไม่เหมือนธรรมะถ้าไม่มีธรรมะนี่ก็ไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยเนี่ยเาพวกเราตั้งอกตั้งใจให้ดีพวกพระสงฆ์องค์เน้นของเรานี่ก็ให้เอาใจใส่ คิดเห็นพ่อเห็นแม่คิดเห็นพ่อเห็นแม่พี่น้องของเราทุกๆคนนะ่ะเอามาประพฤติปฏิบัติ ด, ด้วยกันให้ได้ไม่ใช่ของทําเล่นนะทำวันเนี้ยมันได้จริงๆถ้าคนไม่ได้ก็เสียาชาติเกิดเจย๊ยเนี่ยเราให้คิดเอาบุญของใครบุญของมันใครทําใครได้ใครไม่ทําไม่ได้ใครทำไม่ใครมาทำไม่ทํากไ็ไม่เห็น เห็นเองรู้เองเข้าใจเองของใครของมันทำแทนกันไม่ได้อันนี้ไปซื้อเปเงินเปนทองก็ไม่ได้พราะั้นพวกเราอ่ะอย่าปล่อยให้ชีวิตเป็นมันอยกนอนหลับทับสิทธิ์ให้คิดเห็นด้วยอันนี้อยากได้ดีทุกคนแต่ว่าอะไรท้งหมดเราในโลกเนี่ยเราต้องให้เห็นตอนเราเป็นคนนี้ของดีๆอ่ะเราต้องมาทำเอาเดี๋ยวนี้ให้เห็นเด๋วนี้ ถ้าเกิดเป็นคนนี้ไม่เห็นของดีมันก็ได้แต่ของไม่ดีนั่นแหละมันทำไว้อะมันมาไม่มาทำเอามาทเอานนี้มันต้องเห็นนรกสวรรค์ให้เห็ น, รนจริงจริมันวีตอนเขาเป็นคนเนี่ยเห็นตอนเขาเป็นคนมาเกิดจนเราเป็นคนเนี่ยไม่ใช่ว่าตายไปแล้วจงค่อยจะไปเกิดจงค่อยจะไปได้อันนั้นผิดให้เราเข้าใจ หลวงพ่อนี่เข้าใจคนเดียวดอกจะมูเข้าใจอย่างนั้นหรือไม่ก็ไม่รู้แต่ว่าเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านสอนใครเทศขึ้นมาก็สอนมีแต่สอนอย่างที่ดีๆเท่านั้นหลวงพ่อสอนเนี่ยยิ่งยี่งจะแกล้งเวทพืทตะพื้พเลยวุฒิวัฒนาเพราะเราเ่นะนอกยากจะมาเห็นหลวงพ่อแล้พวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ย หลงข้อเนี่ยข้ามจูนเราให้เรามาออกกับทุกได้หายากนี่ว่าบุญวัฒนาบา ร, รมีเราสร้างไว้แต่ก่อนจะค่อยได้มารวมเห็นมาเห็นท่านหมดคนคนคนคนค น, คนเดียวเนี่ยชื่อเสียงดังโด่งดังไปทั่วไปถึงทั่วโลกก็ว่าได้ หลวงพูดหลวงพ่อเราเนี่ยไปไหนนี่มีคนเคารพนับถือเอก็อว่าจะนับถือเนี่ยไปแต่เรานี่แหละว่าลูกศิษย์ของใครลูกศิษย์ของหลวงพ่อคเขียนอยู่ที่นั่นที่นี่เขานิยมไปหมดเลยไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนไปเตียนระักไปเข้าโรงพยาบาลในมันดีหมดทุกอันทุกทุกทุกวันทุกเมืองไปที่ไหนมันดีหมด เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยดีดีพวกเร า, ามีที่พึ่งดีแล้วหาสิ่งที่พึ่งแบบนี้ยากที่สุดบุญหลายจึงจะได้เข้ามานี่แหละพวกเราอย่าพากันว่าหลวงพ่อเราไปทัวเด้อมันบาปหลายแล้วพวกเขาดีไม่ดีดก็สุดดีทั้นี้แหละหลวงพ่อว่าไม่เคยเลยเห็นด่าใครสักคนเลยไม่อยู่นี่ย มีแต่ดีๆทั้งนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นพยายามตั้ง อ, อกตั้งใจประพืชปฏิบัติให้ได้พวกพระเราก็ถ้ายังไม่ทันเก่งก็อย่าฟฝ้าด่วนติก ค, คนไหนที่ไม่มีงานน่ะให้มาปฏิบัติมันได้ก่อนมันไม่ใช่ว่าจะของทำได้ง่ายๆมันอยู่ฝากตายก่อนจะได้ธรรมะเทระ อ, อันเนี่ยอะไรจะเกิดก่อน กิเลสนั่นแหละมันเกิดมาให้เห็นก่อนมันหนักเนื้อหนักตัวหนักแข้งหนักขาหนักปวดเนื้อปวดตัวจนจะไปไม่ไหวกลัวจะเข้าก็าจะเข้าใจธรรมะเนี่ยอะไรก็หนักหมดพุ่งจานรลำคานสารพัดไม่อยากทำเลยอดใจพยายามบกบืนทุกคนนั่นแะ อย่าช่วยจากว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นอย่าไปอย่าไปหยุดหย่อนให้มันทําจะพืะพ้นอไปเยือบเกือบเกือบเห็นแล้วทํามะนันเกิดแล้วอถ้ามันเบามันสบายนั่นนะอย่าไปอย่าไปอย่าไปเอาให้เป็นกลางๆหมดอย่าเอาอย่ายักได้อะไรไม่อยากได้อะไรให้ขอให้มาดูกับกายใจของเราเนี่ยมาดูกายเคลื่อนไหวเคนหนึ่งรู้คนหนึ่งเคลื่อนไหวให้หาเอา เนี่ยเราต้องมาพึ่งอันนี้การการเคลื่อนไหวกับการรู้เนี่ยนี่นี่ตัวนี้เป็นเป็นที่กําบังเราอะไรเกิดขึ้นมาเราต้องมาพึ่งสองตัวนี้คือรูปกำนามเราคือกายกับใจเออมามาอยู่กับตัวนี้ตัวอะไรมันจะคิดไปร้อยเรื่องพันเรียงก็จะไปห้ามมันความชางังความไม่พอใจมันเกิดขึ้นมาก็อย่าไปปฏิเสธ ให้เราดูเฉยๆดูแล้วก็ปล่อยไปวางไปไม่ไม่มีสิ่งที่จะเอาตั้งแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้พออะไรขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ไม่พอใจนี่ก็ไม่อยากให้มันมาอยู่นํมามาอยู่ด้วยอยากไปไล่อยากไปขับไล่มันหนีให้มันอยู่ไปนีไปไกลๆเนี่ยอันดีก็ไม่อยากให้มันหนีแล้ววะเนี่ยถ้าอันดีอ่ะก็ไปประครับประคอง กลัวญาติมันจะหนีกลัวจะนั้นก็ไปเพ่งไปจ้องนี่ก็นี่ก็มันก็เป็นขึ้นลายใหม่อีกเป็นแน่นหน้า อ, อกเป็นปวดหัวเป็นเหมือนเนื้อมือนตัวสารพัดต่างๆจะเกิดขึ้นมาเพราะว่าเราวางไม่ถูกเราจะเอาซ้ายได้อันดีก็จะเอาอันไม่อันชั่วนั้นก็จะไล่หนีเออแบบนั้นไม่ถูกเราให้เห็นเห็นเห็น มันมาสอนเราหมดทุกคนนั่นแหละถ้ามันมาไม่มาสอนเราเราก็ไม่เห็นคุณค่าของมันไม่มีตัวไม่มีตนมันมีเขาเรียกว่าตั้งแต่ก่อนเป็นรูปเป็นนามต่อไปเขาเขาเรียกว่านามมารูปนามมารูปก็คืออาการสิ่งที่มันเกิดเกิดดีเกิดชั่วสารพัดอย่างจะไม่จะเกิดมาให้ เ, หหเราเห็น ไม่มีตัวไม่มีตนแล้วก็เราก็เห็นแล้วก็เลี้วไปเห็นแล้วก็ทิ้งไปอืมทําให้มันอย่าอย่าชีเกียจชี้ข้านคําว่าชี้เกียจชี้ข้านน่ะอย่าเอาธรรมะเนี่ยมแีแต่ของ ด, ดีถ้าใครไม่เกียจค้านตั้งอกตั้งใจทํามันก็ได้ของดี ของดีอยู่กับเราเนี่ยแหละอยู่ในตัวเราเนี่ยอันอื่นเนาะเป็นของปลอมทั้งหมดนั่นแหละของดีอยู่กับเราอยู่ตัวใครตัวมันแกะกันไม่ได้ใครเห็นก็ใครได้อยากได้ก็ทำเอาอยู่ตัวของเรานี่แหละให้พยายามทําพยายามภากเพียรขี่เกียรขี่เกียรขี่ขัน้นคอยอดสาพยายาม ทำมันเหนื่อยมันละอะไรก็นั่นแหละตัวพยามารสมัยพระพุทธเจ้าท่านเขียนรูปใส่ฝาผนังไว้ให้ดูเป็นแบกปืนพระหาหน้าไม่จะไปยิงพระพุทธเจ้าหาองูเอาอะไรไปตอดสารพัดตั้งใจจะทำไปเป็นปิตนาทั้งนั้น มันก็จิตใจของเรานั่นแหละมันเป็ น, น่ะเยให้เราพยายามทําพวกมาใหม่ๆนี่ก็เจ้านี่มันง่ายๆมันไม่เหมือนคือแต่ก่อนแต่ก่อนนี่ไม่มีใครบอกดอกไม่มีคนอธิบายให้อย่างบอกเนื้อบอกตัวเหมือนทุกวันนี้ ท, ทุกวันนี้ พูดให้ฟังกจนจนไม่จนไม่ไมงสงสัยอะไรเลยไม่สงสัยเราก็มีแตจะเอาเฉยๆมันก็ดีเลยรู้จักตัวมันอะไรเกิดขึ้นมาก็ให้เห็นเห็นจะเมื่ก็เข้าใจอืมเข้าใจแล้วก็ค่อยเข้าใจรู้จักถอดถอนออกรู้จักอวด <c oughs> แล้วหลวงพ่อก็ไม่มีอะไรจะพูดให้มากหรอให้พูดแต่เพียงต่านี้คอยอยู่ติเพียงต่านี้